ข อ, อนอบน้อมพระรานัใจขอาการอาจารย์วนันชัยแล้วก็เพื่อนสถาบัทุกท่านนะเจริญพรทุกคนนะนั่งกันตามสบายเนาะนะให้ทำความรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจนะในปัจจุบันนะให้ตั้งใจไว้อยู่กับสิ่งที่กำลังฟังหรือตั้งใจ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 ซักึ่งตัณหาเหตุคือการที่เดินทางสายกลางนะทางสายกลางนะคืออรอยิยมรรคมีองค์แปดทางที่ชีวิตเราดำเนินอย่างประเสริฐไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือว่าใจน่แหละนะนะทางสายกลางพรนะพุทธเจ้าท่าบอกการวางใจให้พอดีนะหรือการปฏิบัติธรรมบางที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 ลูกไก่ก็อาจจะโดนบีบแล้วก็ตายไดนะ้แต่ถ้าบางทีเรากำหลวมเกินไปนะลูกไก่มันก็จะดิ้นมันก็จะบินออกมันก็กระโดดออกจากกำมือของเราแต่เราจะกำขนาดไหนให้มันพอดีนะลูกไก่ไม่ตายไม่แน่นไม่อึดอัดแล้วกนะ็ไม่ดิ้นหนีออกไปได้อันนั้นะคือความพอดีที่เราต้องต้องแบบ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 แล้วตึกรู้นะแล้วตึกรู้ว่าปัจจุบันมันคืออะไรมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงแค่แล้วตึรู้เพราะปัจจุบันจริงมันก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอดีตก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาก็กลายเป็นอดีตแล้นะอน า, นาคตเมื่อกี้ก็กลายเป็นปัจจุบันใหม่และดังนั้นการเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปนะเหมือนกับ